คนที่ไปห้องน้ําเนี่ยถ้าให้ไปอีกพรุ่งนี้เนี่ยก็คนเก่านั่นแหละและคู่เก่านั่นแหละที่มันจะไปเพราะสันดานเดิมของมันคือไม่มีความเข้มแข็งมันไม่มีความจําเป็นแต่มันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักอดจักทนไม่รู้จักอดกลั้นไม่รจะฝึกจักฝื้นพวกนี้ถ้าเข้ามาบอกไปห้องน้ําได้ก็คนเก่าไม่เป็นคนใหม่หรอกเหมือนเดิมเนี่ย สังเกียดดูก็ได้นะนั่นไปปรับตัวเองใหม่ถ้ารู้ว่าจะต้องไปเยี่ยวไปขี้กินให้น้อยน้ำปะนะก็ไม่ต้องก็ได้ให้เป็นห่วงเรื่องที่จะได้ประโยชน์จากการนั่งฟังที่นี่มากกว่าเรื่องอื่นไม่ต้องไปห่วงเรื่องร้อนเรื่องหนาวเรื่องวิ่งเขา้าวิ่งออกยิ่งเราไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ยิ่งพร ะ, ระวังตัวเองให้มาก มนอยู่ที่นี่ต้องพยายามอดทนรับรู้ในสิ่งที่เขาจะให้ที่นี่ใจมันพลาดถ้าแต่ไม่มาเห็นวิ่งอยู่ตรงประตูเนี่ยเข้ า, ข า, ขาออ ก, ออ ก, ออกเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินลงเนี่ยถ้ามาเปื่อไหน่ายนะคนอ่อกแอแบบนี้นี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายความเข้มแข็งไม่มีถ้าเจอครั้งสองครั้ ง, งคืนไล่หนีถ้าไม่ไม่อดไม่ทนกันบ้าง ถึงแม้พระหันหลังให้ก็ฝึกฝืนเอาเด็กอดทนนอไม่คิดเลอว่าลงไปเดินเล่นๆ เ, เดี๋ยวน่าจะเจออาตมาแล้วมันจะได้อะไรมาที่นี่ดูคนเก่าเขาเขาทำอะไรเนี่ยในเนี่ยเราเอาตัวอย่างเขาเอาเขาเป็นครูที่เนี่ยไม่ใช่ทุกนิดนหน่อยก็จะตายซะฝึกอดกทน อย่างเขาว่าดูเวทนาดูเป็นไม่เวทนาดูเวทนามันดับเนี่ยทําเป็นไหมเตรียมตัวให้มันเสร็จสับก่อนขึ้นมาที่นี่เข้ามาที่นี่จะต้องไม่วิ่งเข้าวิ่งออกหลอกให้ไปตายก็ไปเตรียมตัวให้เสร็จสับเลยฟังก็ฟั ง, ฟงถ้ารู้ว่ามันจะไปเยี่ยวจะไปกินน้ําน้ําระน้าก็ไม่ต้องกินหิ้วก็อดเอาทนเนาแก้ไขที่เหตุปัญหาทุกปัญหาเนี่ย ถ้าระมัดระวังไม่เป็นก็ยากลําบาก ไ, ไหวไม่ฝืนไหวไหมถ้ากินนะเนี่ยไหวไหมที่จะนำลงสภาพเป็นผู้นักปฏิบัติทำที่ดีฝึกฝื น, ฝนต่อสู้อดทนถ้ามันวิ่งเข้าวิ่งออกหมดนี่จะทํายังไงไปแต่ละทีก็เดินคุยไปเดินมาคุยมาแล้วได้อะไรไม่กลัวหรือว่าสติขาดการกําหนดรู้ก็ยังทําไม่เป็นมันไม่ใช่ง่ายที่ที่เราไปเรามาเนี่ย มันอยู่ในความประมาทนะขณะเราอยู่ในอดีตบทที่ตั้งใจทำไปเนี่ยก็ยังยากลำบากนั้นคนอดทนเนี่ยเขามีความเข้มแข็งมีสติมีปัญญารักษาสภาวะกายสภาวะจิตของตัวเองได้แต่คนที่วิ่งไปวิ่งมาเขาเขาออกอมันไม่มีโอกาสได้เห็นตัวเองหรอกนั้นต้องเปลี่ยนแปลงทุกวันวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้ต้องเป็นแบบอื่น ไม่ใช่ตามใจตัวเองนะจะคิดว่าอะไรอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยนะไอ้เรื่องเล็กน้อยนะี่ะถ้าเราฉเฉลียวใจสักน้อยนะ่ะกลายเป็นความพ้นทุกข์ดับภพบดับชาติได้ทีเดียวนะสําคัญว่าจะสังเกตเป็นไม่ทันเองมาที่นี่มาเป็นนักสังเกตไม่ใช่เกิดอารมณ์อะไรอยากไปก็ไปอะไรอยางนีอ้อจมีช่องมีทางไปได้ไปไม่ไหวอันนั้น ดังนั้นเราจะเอาปัญญาที่ไหนนะ่ยมาเป็นตัวฝืนชีวิตจิตใจเราแต่เมันก็หนักใจลหลายๆเรื่องหลายๆคนหลายๆพระหลายๆอุปความเพียรไม่พอ อ, อ, อ่อนแอทํากี่ครากี่คาก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยประมาณเนี่ยว่าต้องให้ไหล่เลียงตลอดเวลาต้องตามจิกตามกฎมันเพียงพอแล้วสําหรับการปฏิบัติธรรมข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงมันถึงเวลาที่คุณต้องตั้งใจทําแล้ว ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังกับมันแล้วจะหาแง่มุมไหนอีกล่ะต้องจําเป็นอาตมาต้องตามประกบอยูท่ทุกตัวทุกตนเหรอไม่จําเป็นถ้าปานะกระโตไม่เป็นแล้วมาเนี่ยอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปวันๆนะฮะเพื่อท่านเห็นท่านก็ไม่ว่าหรอกท่านไม่กล้าดา่าไม่กล้าดุหรอกไม่กล่าว่าหรอกกูจะทํายังไงก็ได้ประมาณเนี้ถามตัวเองนะวันๆหนึ่ง ภูมิธรรมันจะเลื่ญขึ้นไหมสามารถมีสภาวะทำจิตอะไรเกิดขึ้นที่สามารถมาตอบหมู่คณะได้เวลาเขาถามเนี่ยจิตมันดีขึ้นบ้างไหมสติกําหนดรู้บ้างไหมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างในตัวเองเนี่ยถ้างนั้นมันก็เหมือนเดิมนะวันวันผ่านไปเนี่ยกลายเป็นวัคคูบายจาย์ต้องมาเป็นสติให้เราเราจะทําอะไรท่านต้องมาคอยประกบคอยว่าคอยดูอันนั้นเหมาะสมไม่มีสมนะ มาเป็นตาแทนพวกเธอแทนที่เธอจะเป็นตาให้กับตัวเองต้องคอยประคองอยู่คนนี้อย่าหลับนะคนนี้ตั้งใจทํานะคนนี้อย่านอนกลางวันนะคนนี้จะไปทําน่นทํานี่เล่นนะเอาอยู่บ้านนั้นมาจะเอาปัญญามาจากไหนเราไม่อยากเป็นตัวของตัวเองบ้างเลยสติปัญญาเนี่ยไม่อยากเลื่อนระดับบ้างเหลย มันต้องถึงเวลาที่มันเด็ดขาดกับตัวเองนะในหลายๆเรื่องปัญญานี่เกิดจากการเอาจริงนะถ้าแบบธรรมดาธรรมนานิสัยสันดานจากบ้านมาแบบเดิมแล้วมาใช้ที่นี่เหมือนเดิมเนี่ยยิ่งยากมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะการกระทาเร็วๆจะไปรู้การกระทาการรู้ธรรมะที่เลิศจยเป็นไปไม่ได้อะเคระฮี่เนนะีน่นะอาการสัพพติหุนติกานกระทาอันเร็วๆ เ, เนี่ยแบบเดิมๆ เ, เนี่ยคิดเหลือว่าธรรมะมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เรามาทำแบบนี้เนี่ยแล้วแต่เราจะทำจะเป็นจะไปอะไรงเงี้ยลูกเหมือนเลน่นน้องไปวิ่งเข่าบีงหอกก็จะไปจะมาูอยากลุกตอนไหนก็นลุกผูอยากไปตอนนั้นกูเบื่ออะไรก็เป<ม>็นอย่างนี้มันจะเกิดธรรมะขึ้นเด้อคิดดูดีว่ามรคนมันจะมีแล้วกับภาวะแบบเนี้ยอยากลับตอนไหนก็หลาบผูอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ปฏิบัติกูก็เล่นเล่นห้องหัวไปเนี่ยมันจะเกิดให้เหลยเรามาดูคนอื่นที่เขาตั้งใจทำจริงๆจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอะ ปานนั้นเขาถึงไปไหนแล้วบางทีก็บางคนก็ได้เจอรูปแบบนะดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงหยุดพูดหยุดคุยไปใครไปมันอย่านี้เนี่ยไม่จะ่เห่ไปเป็นคู่เป็นคู่นะที่เนี่ยไปอาบน้ำคนเดียวเดินมาคนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวเข้าใจ้คาว่าเอกีภาวะเอกาสนังค่ะ นั่งคนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวเห็นไม่เดินมาสองคนก็คุยกันมามันก็รู้ได้สต่ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเหมือนตะก้าที่น้ํามันรั่วมันจะรั่วลงไพื้นมันไม่เกิดน้ําขึ้นมาหรอกน้ํามันไม่เกิดขึ้นตากใส่ยังไงก็ตามจะสร้างจะวัดเดิอนจกุกรมขนาดไหนก็ตามนะไม่มีน้ําหยดโผล่ขึ้นมาเหมือนตักน้ําใส่ทรายนั่นแหละ ตักน้ําใส่ทรายเนี่ยมันเกิดขึ้นมั้งไหมกี่หยดมันถึงจะหยดจะปรากฏหยดน้ําให้เนี่ยมันไม่ปรากฏให้นานเท่าไหร่ก็ตามมันไม่ปรากฏหยดน้ําให้จนกระทั่ ง, งมันเป็นคู่ถังนู่นนะนั้นจิตของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมากกว่าทรายที่หยดความรู้สึกตัวใส่เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วน้ำภาษาในจะเดินควงคู่คุยกันไปเนี่ยมันยิ่งไม่เป็นให้ มันจะไม่มีอะไรปรากฏกขึ้นว่าเป็นชุ่มรู้สึกว่าโล่งว่าโปร่งว่าอะไรเกิดขึ้นมาในเลยในใจเนี่ยยิ่งความขี้เกียจในการเผาจิตตัวเองมีน้อยเนี่ยยิ่งจะยากลำบากคือมันก็เริ่มตรงที่ความอดทนเนมันไม่ไม่มีความอดทนก็เริ่มที่ความอดทนเริ่มอดทนยังไงอา้าวมันยังไม่อดทนกับพานั่งสั่งวายจนถ้ามันอดทนแล้วเคยเลยไปเริ่มทําตัวใหม่ใจพิจารตัวทีละตัวทีล ะ, วท ล, ะวทละตัวไป เขาปฏิบัติทำเนี่ยทําเข้าเข้าใจง่ายๆฝึกสติให้รู้กายเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยรู้กายเนี่ยรู้อาการมันเนี่ยไหวไหมรู้ไปเรื่อยๆอีกส่วนเราก็มีเวทนาเวทนามันเจ็บเจ้งจุกขาไม่ใช่เราเดินลงไปบริหารนะดูมันดูดิดูมันเกิดดูมันดับดูดิดูยังไงเนี่ยถ้าเราตั้งใจดูเวทนาเนี่ยพูดถึงเรื่องกันดูจิตเรารู้นต่ดีเราไม่ต้องเคยคิดตามมันหรอก มันเป็นการดูจิตข้นมาโดยธรรมชาติมันนะั้น mm. เพราะจิตทั้งหมดเราเอามาดูแหละพอมาดูแล้วมันก็ไม่ได้คิดกับอะไรมันทีนานๆานเราก็จะเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลจิตเกิดปิติเกิดสมาธิเราก็จะเห็น mm. เห็นว่าอารมณ์พวกนี้เริ่มเกิดในจิตมันเบาก็รู้จักมันไม่เบาก็รู้จักมันจะเกิดจากการผ่านตัวนิวรณ์ผ่านตัวธรมรมารมณ์ผ่านตัว งุนหญิด ต, ตัวอึดอัดผ่านตัวเวทนาที่จัดจัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผ่านได้ไม่เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเวทนาก็คือเจ็บปวดเมื่อยเวทนาทางจิตก็คือพอใจไม่พอใจฟังดูดิเวลาคนที่เขาสามารถเข้าใจเรื่องอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดก า, การฝืนอารมณ์ตัวเองมากๆมันถึงเป็น คือเราเอาชนะทุกข์และทุกข์กลยวว า, กกายเป็นศูนย์นั่นแหละทุกข์เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์ทำให้ทุกข์เป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูญยตาแต่ถ้าทุกข์ยิ่งเพิ่มปริมาณทุกข์ก็ในเรื่อยไม่เรียกว่าทุกข์กลายเป็นศูนย์เดินจงกลมเนี่ยไม่ใช่เดินไปหาความคิดนะเม่ว่าพระว่าโยมนะไม่ใช่เดินหาความคิดนะเนี่ยวันนี้เราเดินหาแต่ความคิด มันยังไม่มีสภาวะทําทอะไรเกิดขึ้นซักทีเบยเวลาเดินแล้วก็ได้แต่ความคิดแต่แต่ความคิดนะเพราะเราไม่เคยที่จะทําให้ความคิดกลายเป็นศูนย์มีแต่จะแบกความคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆย่างแล้วเราก็เอาความคิดนั่นแหละมาเป็นปัญญาทํายังไงเ่ยสติเราจึงจะสามารถมองเห็นรูปเนี่ยมันเป็นรูปได้เห็นกายเนี่ย มันเป็นธรรมชาติของความทุกข์ธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่จริงจะเหนื่อยหน่ายในกายนี้ถ้าเราเห็นแล้วยังสนุกอยู่กับความคิดแบบโลกโลกสนุกกับเรื่องโลกโลกการปรุงแต่งกับอะไรโอ้ยมันยังไกลคุณต้องเพียรมากกว่านั้นต้องขยันมากกว่านั้ น, ต, น, กก น, นต้องตั้งใจทํามากกว่านั้นทํายังไงจึงจะมีสติอยู่ในทุกเรียบทจะเดินไปก็รู้สึกนั้นคนที่เดินออกไปในส่วนมากไม่ค่อยรู้สึกนะ่ะ เกือบร้อยทั้งร้อยนะรู้แต่จะไปแล้วก็ไปแต่ที่จะให้รู้ไปทีละเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าไปนี่ยากแต่ถ้าอยู่ในนี้ยังมีโอกาสนั่งทําความรู้สึกตัวยังมีโอกาสที่จะพอกุณสติอันนี้ขึ้นมาได้ยังมีโอกาสมีความละายยิ่งไปสองคนเดินกันไปนี่คุยกันไปจนจบเดินคุยกันมาจนจบไม่ได้อะไร คือมันก็รู้อยู่อนาคตก็คือไม่ได้อะไรสรุปก็คือปฏิบัติจนตายจนจบงานเนี่ยไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะอะไเพราะเขารักษากษาติกาไม่เป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพูดคุยกันนะถ้าพูดคุยกันเนี่ยก็เหมือนกินของแสลงเปไปหาหมอเขาจะกินนะอันเนี้ยคุณกํลาลังลักษาโรคคนนี้อยู่นะถ้าเรากินแล้วตายรักษาไม่หายอันหมอเขาก็มีอยู่อันหนึ่งคือเหนื่อยหน่าย เหนื่อยหน่ายกับการที่รักษาคือไล่หนีเท่านนี้ไปไปรักษาที่อื่นหรือไปตายอยู่ที่บ้านนนททุกอย่างเนี่ยมันมีกฎมีเกณฑ์มีกรอบนะคนมาปฏิบัติธรรมใหม่หรือเก่าๆเนี่ยลองไปถามตัวเองดูก็ได้สักคำคำหนึ่งใส่ข้อมูลเอาไว้ที่คอมพิวเตอร์มันจะออกมาให้ไหมจิตเนี่ยคาว่าเห็นกายในกายเป็นยังไงเนี่ย ที่เขาบอกเนียเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่หรือว่าที่บทสวดมนต์มนเมื่ อ, อกี้เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาวาสสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เนี่ยเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นู้ได้เห็นธรรมพวกนั้นที่เห็นพวกเราเห็นอะไรบ้างแล้วนี่ที่เราสวดมาเนราเข้าใจอะไรเนี่ยเขาอ่านฉลากยาให้ฟังเนี่ยเรากินยาบาย้างหรือยังเนี่ยอะไรมันหายเรื่มมาดีขึ้นหรือยังเนีย เราจะมาหวังปัญญาเกิดแต่ทั้งหูอย่างเดียวเหรอเราไม่อยอมเปลี่ยนแปลงทิฏฐิมานะข้างในบ้างเหรือแนวความคิดความเห็นเนี่ยคนไหนมีความสำนวดสำเนียกสำรวมระวังมองภายในอยู่เรื่อยๆรื่อยๆ เ, เนี่มันจะพูดก็เห็นมันมันจะคิดก็ไม่เห็นมันมันจะปรุงแต่งก็เห็นมันเห็นธรรมชาติของกายวาจาใจเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะเฝ้าดูอยู่ตลอดเนี่ยทำเป็นไหม ไปปฏิบัติวิธีไหนก็ตามเขาให้เห็นนะเนี่ยตั้งใจทําให้มันเป็นตั้งใจฝึกตั้งใจฝืนตั้งใจสังเกตตั้งใจดูจะให้ต้องบังคับว่าคนนั่นสร้างจังหวะนะคนนี้ตั้งใจปฏิบัติเด้ออยากให้มันมีอันเนี้ยอย้กไม่ต้องใช้เวลานาน มันถึงเวลาที่จะเริ่มเห็นอารมณ์แล้วคล้ายๆว่าเวลาจุดไฟเนี่ยมันก็เริ่มติดบ้างแล้วเนี่ยการกําหนดรู้ก็เริ่มเห็นประโยชน์มันขึ้นมาแล้วว่ากําหนดรูได้อะไรแล้วบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรนะว่าเขามาทําอะไรเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเนี่ยได้อะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเขามาทำเอาอะไรก็ยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันจะเข้าใจอะไรถ้าไม่ตั้งใจทำมันจะเห็นหรือพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นปัจจตัง มันต้องเห็นแล้วมันต้องเกิดเองไม่ใช่จะมาเอาความเข้าใจจากกันฟังกันฟังฟังไงก็ตามทิฏฐิมานาลาค้าตัญหามันเยอะเนี่ยมันก็ต้านเหมือนเดิมนั่นแหละสิ่งที่เราควรทําก็คือกําหนดรู้สติเนี่ยกําหนดรู้มาลึกรู้สติของตัวเองเนี่ยให้มันต่อเนื่องแล้วสติจะเป็นผู้เห็นเนี่ยสติเป็นผู้รู้เนี่ยทําให้มันรู้ขึ้นมาของมันเองทําให้มันตื่นเองให้มันเบิกบานเองเกิดสภาวะทําขึ้นมาเอง เพื่อจะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเป็นใจลักษเพื่อเห็นรู้จักสมมติเห็นปรมัตถ์เห็นการเกิดดับเห็นโอ้ยจริงๆปฏิบัติรำมาเอาปีหนึ่งสองปีสามปีเวลาตั้งใจเก็บอารมณ์จัตุรีได้อารมณ์ทุกทีเลยทะลุไปได้แต่ละชุดเป็นชุดเป็นชุดเกิดความเข้าใจมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเราฟังข้อมูลเรามีความเข้าใจในระดับหนึ่งดังนั้นก็คือไปทำ คนไหนที่ยังไม่ทำมาอยู่บ้านเขาเนี่ยทำตัวเองเหมือนสับไพ่ใหม่มาฝึกจิตในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำห้ามอะไรระวังอะไรควรอะไรยังไงสังเกตที่สําคัญคือถ้าคนไหนรู้สึกตัวอย่างนี้ตลอดเวลาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงแล้วมันจําเป็นยังไงที่เราต้องรักษารักษาแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยเขาจะดูออกเป็นเลย เขาจะรักษาได้เองโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องมาบอกมาสอนนะถ้าตั้งใจเนี่ยเอาบอกเช้ารู้ตอนเย็นบอกตอนเย็นบรรลุทําตอนเช้ามันดูที่การตั้งใจที่จะรู้ไม่ใช่เพราะถูกเงื่อนไขบังคับอะไรประมาณนั้นพระหันหลังให้กันแล้วแต่จะเป็นจะไปอพระก็เหมือนกันถ้าหันหลังให้โยมแล้วจะจะหลับโยมก็เหมือนกันแล้วแต่จะไปมันจะเอาอะไร ชีวิตเนี่ยไม่อยู่ที่นี่จะมาเอาอะไรเนี่ยถามตัวเองบ้างไหมสาระมันเกิดขึ้นว่าไม่นในชีวิตเนี่ยที่อยู่เนี่ยหรือมาประคองเอาเป็นวันเป็นคืนไปเฉยๆมันน่าจะมีสาระมากกว่านั้นชีวิตเนี่ยพุ่มเทแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคนเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่มันไม่เหมือนกันนะ่ะมันไม่เหมือนกัน ในชั่วโมงชั่วโมงนีนะ้คนอาจจะเป็นเศรษฐีก็มีนะแล้วคนอาจจะจมลงก็มีนะหมดเนื้อหมดตัวก็มนะีในขณะเดียวกันผู้ติดอยู่ในนิวรณ์ติดความห่วงของเขาติดกิเลสตัณหาติดความไม่รู้เรื่องกับบางคนอาจจะบรรลุธรรมก็ได้นะในโลกเนี่ยวินาทีนี้ชั่วโมงนี้เราเองก็น่าจะเป็นคนคนหนึ่งในจำนวนนั้นนะที่มีโอกาสเนี่ยแล้วเราจะปล่อยวันเวลาไปิ้งเฉยเหรอ ทีนี้มาปฏิบัติทำเพื่อกำหนดรู้เห็นสัจธรรมเหตุโทษของการกินการดื่มการหลับการนอนการไปการมาการพูดการจาจานุ่งกันห่มลองฝึนลองฝืนดูดิเราไม่มีเสื้อกันหนาวลองดิ ม, มันเป็นยังไงลองทําแบบพระสงฆ์ทําให้ดวงรู้วิบดินึกออกอะไรบางไม่ที่ทําให้ดูเนี่ยเล่นนึกจะวิ่งแปล่าะอะไรก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่เคยฝึกเลยเหรอ ไม่เคยรู้สึกว่าอยากฝืนว่าเขาได้อะไรทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเนะ่ะแต่ท่พุทธเจ้าบัญญัตไว้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยทำไมเขาเป็นแบบนี้อยู่พระสงฆ์เนี่ยทำไมต้องโกนผมทำไมต้องตอเสื้อทุ่งเสื้อนิดเดียวทำไมต้องฝึกต้องฝืนทาไมท่านได้นานทำไมไม่สะกิดใจเลยเหรอหืมแต่นึกไม่เป็นดูไม่เป็นก็เห็นทำยากนะ ลองดูดีิเขาวสุมันไม่เที่ยงเราไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันว่ามันจะมีสุขไม่สุขมันไม่เที่ยงหมายเขาคือมันมีความสุขณนะตอนเนี้ยอเราไม่สุขก็ไดนเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์ทุกข์ก็มันไม่เที่ยงเราดูดิทุกข์มันไม่เที่ยงยังไงอ่ะลองดูเถอะทุกข์ทางกายทางรูปทางนามทางธาตุทางขันเนี่ยมันเป็นยังไงเนี้ยที่มาทําเนี้ย เพื่อเราจะต้อนร่อมลงต้องรวบรวมเหตุผลเอารวบรวมควมสอนมาช่วยแดกช่วยดันช่วยกดช่วยข่มลงเนี่ยไม่น่าจะเป็นเน่ะไปเองได้ระลึกรู้ได้ขยันได้เห็นตัวเองว่ามีความผิดตรงไหนแก้ไข ตัวเราเองเนี่ยมันผิดตรงไหนผิดธรรมเนี่ยผิดสภาวะผิดความไม่รู้ตัวผิดจากการกำหนดรู้ที่เขาสอนเนี่ยมันผิดตรงไหนอ้าบางคนศีลดีดีความประพฤติิริยามริยาดดีมากในวัดเนี่ยมาอยู่ในวัดเนี่ยหาทิฏฐิไม่ได้นี่ทุกอย่างเนี่ยแต่คุณก็ยังชั่วถ้ามองในแง่เห็นสัจจะเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าๆ มันไม่เกิดภูมิธรรมขึ้นมาสักทีถึงแม้เราจะทาดีขนาดไห น, นก็ะทำแต่ภูมิธรรมไม่ปรากฏสติสัมภานะปัญญามันไม่เกิดเราก็ยังเป็นคนไร้สาระอยู่ดีทีนี้ถ้าเรามีสาระเอาพอประคองตัวเองเป็นพอรู้สึกตัวคุณก็ยังไร้สาระในแง่ของมรรคผลอยู่ดี น้าภาษาอะไรเราจะมาบอกว่าโอ้ยเราก็ไม่ได้ผิดอะไรมาลยาติเรียนในสิ่งที่เราทําเนี่ยมองดูแล้วคือมันไม่เปลี่ยนไปเพื่อมักข้นเราสเสลยถึงดียังไงก็ตามนะมันจะต้องดีกว่านั่นแล้วก็เราก็สามารถทําได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เพียงจะฝืนใจตัวเองหน่อยรู้จักเฉลียวใจหน่อยอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรควรไม่ควระมาทีแรกเหมือนเกงใจนะ วันแรกแต่พ่อรู้เรื่องอ่ะมันจะเริ่มทะเลทรายแล้วทีเนี้ยเขาต้องสังเกตโอวันที่แรกเป็นนี้เนาะอันที่สองเริ่มจัดการกับชีต้ตัวเองละเนี่ยไม่ใช่มองหาลู่ทางมันนะเริ่มมองกลับมาข้างในครับพระพุทธองค์ท่านตัดเอาไว้ในกกจูปะมะสูตรเนี่ยจ็บปวดนะเนี่ยเมื่อยเบื่อนายพูดปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะต้องเป็นผู้ไม่หวั่นไหวแม้มีผู้เอาเลื่อยมาเลื่อยขากกจูปะมะเนี่ยหมายถึงการเลื่อยเขามาเลื่อยขาเลื่อยแขนเราเลื่อยนวดเลยนี่เราจะไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่เกลียดชังเขาเจ็บไม่เจ็บแต่ไม่เกลียดไม่ชังไม่โกรธไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายังโกรธยังเกลียดยังรักยังชังยังตําหนิติโทษเขาอยู่ พระพยาว่าไม่ใช่ลูกของโมบติจาวไม่ใช่คนที่เกิดฝึ ก, กจิตแล้วเกิดในธรรมวินัยนี้คนที่เกิดในธรรมวินัยนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นเราเนี่มีเล็กๆ็ น, น้อยน้อยลองฝึกลองฝืนดูดิลองอดลงทนดูไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ขยับนะเนี่ยแต่เวลาขยับเวลทาทำาน่นตอนนี้ให้มีมารยาทสวมมาไว้หน่อย มีมารยาทในตัวเองหน่อยแล้วมารยาทหรือระเบียบพินัยนี่ต้องเป็นไปเพื่อการเกิดสติสัมปชัญญะสูงขึ้น ส, สูงขึ้นสูงขึ้นต้องเป็นการระมัดระวังตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งว่าสามารถประคองตัวเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมความเกิดสติสัมปชัญญะเกิดปัญญาขึ้นมามันจึงจะชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพ้นมาวันหนึ่งสองวันแล้วฉเฉลียวใจแล้วฝึกฝนได้ปานนั้น คือหมายว่าไปเร็วนะรู้จักสังเกตตัวเองรู้จากสงบสงบทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นพลังนะให้มันแหลมคมมาต่อสู้กับไอความรู้สึกที่ปรากฏเวทนาทางกายทางจิตเนี่ยคนนั้นเขากำลังงานทำงานข้างในอยู่เขาต้องการพลังต้องการสมาธิไม่ใช่สงบแบบไม่รู้นะแล้วคนนี้โอ้เป็นคนที่น่าเกรงขามนะเป็นคนที่สามารถจะเดินทางทางธรรมนี้ได้เลย ธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยฟังเอาไว้เลยก็ได้คือการเห็นแจ้งในตัวเองนั่นแหละเห็นแจ้งในทุกที่เกิดกับตัวเองเนี่ยทุกอะไรที่มันเกิดมาเนี่ยดับมันเป็นไหม ย, ยิ่งดับทุกที่ละเอียดลึกๆกิเลสตัณหาได้นั่นแหละอันนั่นแหละคือความลึกซึ้งทนในสิ่งที่คนทนไม่ได้ฝืนในสิ่งที่คนฝืนไม่ได้ ปล่อยวางในสิ่งที่คนอื่นปล่อยวางไม่เป็นนั่นแหละคือปัญญาแท้ๆล่ะนะต้องหาดูดิลองทำดูดิว่าทำเป็นไหมปฏิบัติธรรมในมีความรู้สึกเกิดขึ้นบางคนเอ้ยเข้าใจแล้วฟังเข้าใจไอ้เข้าใจกับการเป็นผลอันกันนะนี่เรามาทำให้มันเป็นนะเรามาทำนะเ น, นี่ย ถ้าเราทำให้ม่เข้าใจเนี่ยเราอ่านหนังสือที่บ้านเราเข้าใจแล้วพระต่ปิดกมักรมีแต่นี่มาทำให้มันเป็นเราทำถูกทางผิดทางมีพระคอยดูแลคอยบอกคอยกล่าวในฐานะที่ผู้เดินทางไปก่อนมันก็จะง่ายขึ้นวเวลาปฏิบัติทรรมเนี่ยเราจะเอารู้สึกว่าเอาความชอบไม่ชอบมาใส่มันนะบางคนจะมีความรู้สึกว่าแล้วแต่จริต คือพุทธศาสนานี่มันไม่มีจริตหรอกอันจริตเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาแลวอันนั้นสังเกตนะราคะโทสะโมหะพุท ธ, ธิพยาราคะจริตโทสะโมหะโลภะพุท ธ, ธิจริตหกคือมันเป็นความชอบความไม่ชอบและความกลัวความเกรงละความรักความชังละจริตเนี่ย มันออกไปข้างนอกแล้วแต่ปฏิบัติธรรมนี่เขายังไม่ให้มีจริตเนี่ยเขารู้สึกก่อนเนี่ยรู้สึกเฉยๆเวลา ม, มันออกไปมันชอบมันชังแล้วจึงอยากทําตามจริตไม่ใช่อยู่ที่ความชอบอยู่ที่สติล้วนๆอันเนี่ยเขาอยู่ที่ปรมาสสภาวะไม่ใช่เอาตามบัญญัติความอยากอุปทานนั้นมันยังไม่มีชอบไม่มีชังเนี่ยถ้าชอบชําก็ไหลไปกับความคิดแล้วไงเพราะมันไม่ถูกจริตเขาไม่ได้ให้ทําตามจริต เขาทำให้อยู่เหนือจริตนะเนี่ยทำให้มันรู้สึกเฉยๆเนี่ยรับรู้สตินีไม่ได้เกี่ยวกับจริตนะเนี่ยถ้าจริตจะเป็นความชอบความชังละควละเรื่องกันเนั้นบางทีเราไม่เข้าใจาก็ยาบบางทีมันไม่ตกลงใจวันนี้ผู้ใหญ่ฉันมาเยี่ยม ผู้ใหญ่ของกระทรวงศาธารณสุขเน่ยท่านมาคุยด้วยพราท่านบอกว่ามีเพื่อนท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วกลับไปแล้วเขาคุยธรรมะอย่างดีเลยเหมือนเขาเข้าใจอ่ยเลยเขาได้อะไรท่านเลยคุยว่าอยากเอาเจ้าหน้าที่ใ น, นกระทรวงมาฝึกก็เลยมาถามพอคิดคิดดูเขาก็ไม่ใช่เด็กเนาะก็ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยได้ถามว่ามันมีในตำรา ฝึกอะไรยังไงนี่ก็ไม่ได้ถามแต่เขาวัดจากเพื่อนของเขาเองที่คนใยอันนี้แล้วเรียนรู้ปฏิบัติทำเรื่องนี้ม า, มากๆแล้วอยู่มาปฏิบัติทำที่นี่แล้วเกิดเข้าใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาวัดเอาแค่นั้นเองเขาไม่ได้ไปถามเรื่ององื่นหรอกเพราะงั้นบางทีเราดูดเนี่ยเราเขาไม่ได้คิดนะว่าคนระดับเนี่ยเขาจะมาแสว ง, งหาเรื่องแบบนี้กับเรา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันให้คำตอบก็คือคนปฏิบัติแล้วเขาเข้าถึงไงเขามีเขาเป็นขึ้นมาเขามีความเข้าใจเ้าถ้ามันไม่เข้าใจมันก็สื่อความหมายไม่ได้แล่นเราก็เหมือนกันเรียนรู้อันเดียวกันเลยไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเรื่องข้างนอกเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องใครตัวหน่อยนี่ คือเรียนเปลือกมันเนะี่ยเรียนจิตวิญญาเนี่เยเป็นเปลือกมันคําพูดเรายืมเอาคําพูดของคนบางคนเอาแนวความคิดไปพูดให้คนสบายใจเอาทฤษฎีนั้นไปว่าเอานั้นมาคุยแต่แก่นมันคือการฝึกให้เกิดจากจิตเราเองเนี่ยปัญหามันพุทธธรรมนี่มันไม่ใช่จิตวิญญานะไม่ใช่จิตเวทนะ จิตเวทในเรื่องบ้านะต่างหากนะแต่พุทธธรรมนี่เป็นเรื่องวิปัสนาอันนี้จิตเวทคือคนจิตไม่ค่อยดีมันมีปัญหาเรื่องจิตเขาให้ยาจิตแพทย์เนี่ยรักษาคนที่มีประสาทผิดปกติเป็นโน่นเป็นนี่นั้นจิตแพทย์เขาจะทํางานอันนั้นเป็นแพทย์ให้อยู่ให้ยานั้นแต่ที่มันเป็นบ้า พ่อราคะโทสะโมหะเนี่ยเราต้องเป็นแพทย์ของเราเองอะไเนี่ยพระศาสนานี่มองคนว่าเป็นบ้าทุกคนนะแต่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมาดูให้มันเห็นว่ามันติดประเด็นไหนที่มันเกิดจากความเผลอเกิดจากอาวิชชาพูดไปตั้งแต่เช้านะว่ามีวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ตัวแล้วเราเดินไปเดินมาเรารู้ตัวกันบ้างไหมเราทําอะไรเนี่ยเรารู้ตัวไหม ังใจทําจริงๆเราทาด้วยสติหรือทําด้วยความคิดนะขณะสติระลึกรู้อยู่ขณะ น, นี้มันยังไม่เป็นปัญญาให้เลยเราหน้าภาษาอะไรเราจะทำได้เล่นหงหัวยิ่งไม่เป็นให้นะมันทําปลาเนี่ยเขาป้ากับเกลือมาหมักกันกี่วันใส่อะไรบางสู่ประสมมาเนี่ยเราฟังให้เข้าใจแล้วเราไปทําหมักไว้อย่าไปเปิดออกเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกเปิดออเข้าโอ้ย นอนก็ใข่ใส่ละไม่วันก็ใครใส่ก็เน่าทิ้งจิตก็เหมือนกันที่คนมาปฏิบัติทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอาฟังเป็นไหมเวลาฟังเนี่ยแล้วทําเป็นไหมทําถูกไหมถ้าทําไม่ถูกทําไม่เป็นมันก็ไม่เกิดแล้วฝึกอยู่กับลุงพ่เตียนในท่านพูดนะท่านปฏิบัติทำ ไ, มไหมครับขี้ค้านสันดานหมาเนี่ยได้ยินบ่อยในคําเนี่ย ว่าขี้ค้านสันดานหมาพูดภาษาเมืองเลยนี่มักเว้ามักคุยสิ่งที่มันไม่ยากมันจะกลายเป็นยากขึ้นมาทันทีอย่างที่วอกเออธรรมานี่ของง่ายๆนะนี่แค่เส้นผมบางภูเขาใครจะรู้ว่าความรู้สึกตัวเฉยๆนี่ไปสู่การดับทุกข์เป็นมรรคผลนิพพานเป็นเราไม่ได้เข้าใจเหมือน พอเราไม่สนใจเราไม่รู้จักระบบระเบียบมันไม่รู้จักสํารวมเราไม่ระวังไม่รู้จักห้ามการพูดการคุยการม่วงการนอนมันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันดีเลยไอเ น, นี้ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ได้เห็นสัาที่มันมีจริงหรือไม่มีจริงลังเลสงสัยทันดีอ่ะว่อ้กูเบื่อไหนเมื่อไหร่จะจบสักทีเนาะทัน ท, ทีเลยมันแบบนี้ขึ้นมาเลยเพราะมันคนละเส้นทางไงมันไม่ใช่เส้นทางที่มันวิเวก มันไม่ใช่เส้นทางที่สงบนาถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสันตุถีปรัมังธนังการปล่อยวาง้ามีความสันโดษการผัสสะกระทบเท่าไรปล่อยวางได้เท่านั้นเขาถือว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งปรัมังธนังสุดยอดของทรัพย์คือการปล่อยวาง แต่ทรัพย์อย่างยิ่งคือการได้มาคนทั่วไปเนี่ยต้องเอาให้ได้ต้องมีเยอะๆเพราเป็นทรัพย์อันนั้นแต่ในภาคปฏิบัติธรรมเนี่ยสันตุถีประมังธนังการปล่อยวางความมีความสันโดษยถาลาภสันโดษยถาสรุปะสันโดษสัตตาปะละสันโดษยินดีตามกําลังเท่ากําลังทําเท่าไหร่ก็คือเท่านั้น ยินดีตามที่ได้มาได้เท่าไหร่ได้เอาเท่านั้นยินดีตามมีตามได้ตามมีเรามีอยู่เท่าไหร่ใจมั่็พอใจเท่านั้นนะนั่นเขาจึงมียถฐานนั้นยะฐานนี้ภรรยาหลายแบบความสันโดษเนี่ยทีีน้ถ้ามีความสันโดษนะโอ้มันเป็นทรัพย์อย่างมหาศาลนะไม่ใช่เงินล้านเงินพันนะถ้าได้เงินล้านมายังไม่มีความสันโดษก็จบพอดีนะ ได้เงินห้าบาทสิบาทมีความสนโดดนั่นได้ทรัพย์มาอีกประเภทหนึ่งแล้วนะรัพย์ประเภทไหนซับที่จะไม่ให้เราจิตเรามันเป็นทุกข์นั่นแหละบางทีเราฝึกจิตดีๆแล้วเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตายวันนี้ก็ได้ตายาวันพรุ่งนี้ก็ดีนี่เอามันสุดยอดนะรับอันเนี้ยแทนที่เราจะมารอความหวังอดีตอนานะคตต้องเอาต้องมีต้องเป็นแทนที่มีตั้งเยอะเยะแล้วเนี่ยอันเนี้มันไมมีความสุขแล้วเนี่ย เขาเรียกคนอยากจนเนี่ยไม่ใช่ยากจนมันอยากจนนั่นนั้นต้องอาศัยการสังเกตตัวเองฝึกสตินีกว่าจะเป็นสมาธิไม่ง่ายถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยดูเอาตัวอย่างเนี่ยคนไหนดีเอาเป็นครูแล้วฝึกยิ่งถ้าได้สติสัมปชัญญะแล้วฝึกเอาสติเป็นครูนะ เอาสติน่ยเป็นครูในการชำระล้างจิตตัวเองเนี่ยมันเห็นสติมีหน้าเห็นหน้าที่เห็นปัญญามีหน้าที่จัดการเห็นความโกรธไหมเห็นเออเอาออกเป็นไหมยังไม่เป็นพยายามฝึกสติให้เยอะจนต้องเกิดกลายเป็นปัญญาชำระล้างมันออกไม่ได้ทีนี้ตัวเห็นก็ไม่มีแล้วแต่มันจะพาไปยกมือนี่ก็รู้บางไม่รู้บ้างเวลามันพาไปกแล้วแต่จะมันจะไป มันจะเอาอะไรมาดับทุกเนี่ยเอาอะไรมาเห็นทุกมันไม่เห็นจะดับก็ไม่รู้ดับอะไรเนี่ยบางทียิ่งอยากดับก็ไกลเป็นเอาความอยากเอาไฟมันเผาตัวเองอีกนะฮะเคร่งคัดเกินไปเคร่งเครียดเบื่อหน่ายมึนเนี่ยดูเป็นก็เห็นทำนะสังเกตไม่เป็นก็ได้นใดตัญหากับบ้านน่เนี่ย ชีวิตมันมีอะไรสนุกนักเหลือมันไม่มีอะไรก็ บ, บอกให้เราไงทุกอย่างเนี่ยอยู่ด้วยความทุกข์เท่านั้นนะแม้แต่ตาเนี่ยที่กระพริบลงมาเนี่ยเพราะมันเป็นทุกข์นั่นเองกระพริบมันเนี่ยเอาค้างไว้เฉยมันก็ทุกข์นะเนี่ยลืมขึ้นก็ไปทุกข์งับลงก็ไปทุกข์นะป่ากก็เหมือนกันนะต้องแปลงต้องนั้นแล้วคุณสนุกสนานอะไรเมื่อไหร่คุณจะเห็นแจ้งเรื่องทุกข์นี่ทั้งหมดทั้งชีวิตซะแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อชีวิตนี้มันถูกไง เขาจึงว่ามาเฝ้าดูมาเฝ้าดูให้เห็นทุกข์เดินยืนนั่งนอนกินดื่มโอ้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเนี่ยแต่เราก็ยังเพลิดเพลินอยู่เนี่ยเล่นอยู่กับรูปรถลาบยศสารเสริญเพลิดเพลินอยู่เนี่ยเพลิดเพลินอยู่กับสมมุติทั้งนั้นกูจะไปเป็นนั้นกูจะไปนั่นนี้กูจะไปเรียนนั่นนั้นกูจะไปทํางานนั่นนี่ไหลไปตามความคิดไปเรื่อยเรื่อยเมื่อไหรมันจะจบเป็นเน่ะ ถ้าไม่เห็นทุกเนี่ยไปทำอะไรก็เป็นทุกเพราะตัวเองยังทำไม่เป็นทําไม่เป็นาว่าทำให้ตัวราคะโทสะโมหะตัวอนิจจังทุกข์อนัตตาเนี่ยให้สลายหรือให้ปรากฏอยู่กับจิตเราได้ถ้าทำเป็นเอาไปเป็นอะไรก็เป็นสุขแต่ถ้าทำไม่เป็นไปเป็นอะไรก็เป็นทุกต้องกินเนี่ยเพราะอะไเป็นทุกต้องนอนเพราะะมันเป็นทุก มานั่งสร้างจังหวะนี้เพื่ออะไรเพื่ออยากได้สติปัญญาเห็นแจ้งในทุกเดี่ยเนี่ยไม่ใช่มาทำให้มันทุกนะเนี่ยไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้ทุกนะเนี่ความรู้สึกนี่น่ะเลยจะเอาความรู้สึกตัวเนี่มาเห็นทุกที่เกิดขึ้นกับกายนี้เหมือนเอามาสร้างเอาไฟเนี่ยเอาไฟนะีจะมาส่องหาเนี่ยหาไฟฉายมาส่องแต่ว่าไฟฉายนี่มันส่องไม่ใช่ไอตัวไฟฉายมันไม่ได้ทุกจะมาส่องดูทุกเนี่ยในตัวเราเองเนี่ยจะมาดูอันนี้ให้มันเห็นที่ทําให้ชัด ไม่ทําขึ้นมามันจะเป็นเลือดไปฉายเนี่ยมันจะมีไฟเหรอแบตเตอรี่มันไม่ได้ใช้มานานมันไม่ได้รู้สึกมานานตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยนั้นเราก็มาเติมมาเพิ่มมันนะเนี่ยมาทําความรู้สึกตัวให้มันให้มันมากๆมาทําให้มันต่อเนื่องอันเนี้ยทําสัมปชัญญะเนี่ยสติอันนี้ให้มันต่อเนื่องทําไฟนี้ให้มันปรากฏเกิดขึ้น ร่างกายนี้เป็นบ้านบ้านหนึ่งแสงสว่าง น, นคือไฟที่ส่องเข้ามาข้างนอกเอาไฟฟ้าสอดเข้ามาก็เห็นเนี่ยแต่ในจิตเราละ่ะที่มันติดสมมุติเนี่ยที่โลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความคิดความหลงว่าเป็นกูนะทั้งที่เขาชื่อนี้สมมุติให้ดินน้ำไฟลมมาประกอบกําลัขึ้น เป็นรูปเป็นล่างหน้าตาเราขึ้นมาเขาสมมุติว่าเป็นอีนั่นเป็นนางนี่เวลาเขาว่าแล้วมันเจ็บมันปวดเนี่ยเห็นไหมขนาดสมมติที่เฉ๋อมิยังไปติดเลยเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นสมมุติว่าเป็นรักขึ้นมากระทุกแล้วสมมุติเป็นชังกระทุกแล้วมันไปติดความทุกข์เนี่ยปฏิบัติทำเนี่ทํายังไงมันจึงจะสลายอสมมุตินี่ออกจากจิตเป็นเนี่ยถ้ามันไม่รู้รูปนามก่อนมันจะเป็นเลยอย่างนี้มันก็ไม่รู้นี่แจ้งในกายมันก็ไม่รู้เห็นกายเป็นกายเนี่ย เห็นกายในกายก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรเป็นกายเนาะกายในกายเป็นยังไงนะมันมีกายเล็กอีกเหรอหรือมันมีอีกกายหนึ่งอยู่ในตัวเนี่ยเห็นไหยนะ่ะเพราะถ้าจกเห็นเนี่ยเอารู้สึกตัวก่อนเริ่มที่ความรู้สึกตัวก่อนนะรู้มือลองดูที่ทีแรกรู้มือเคลื่อนไหวเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดและลึกรู้ ได้ตัวเรลลืรอรู้หรือยังได้ตัวเลลรื่รู้มาเฝ้าดูจิตทีนีเขาเรียกาภาวนานิพภาวิตกายนี่เฝ้าดูกายกายเป็นยังไงเนี่ยธรรมชาติของกายเป็นยังไงก็ทุกข์ธรรมชาติของกายคือทนสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้เปลี่ยนแปลงแบบสุลุอิโซไลเปลี่ยนแปลงตามใจนั่นขเขาเรียกว่าสนียา ถ้าเปลี่ยนแปลงถูกกาลเทศะเขาเรียกว่ามารายาทเรีกว่เสนนั้นสังคมมนุษย์เขาจึงเรียกว่ามีมารายาทเข้ามามีจริยธรรมธรรมะที่เรียกว่าควรประกพชในการอยู่ในสังคมเขาเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมของหมอของโรงพยาบาลของทหารตำรวจของพระเขาเรียกว่าศีลเรียกว่าวินัยคือมานะของนักปฏิบัติธรรม จริยธรรมของนักปฏิบัติธรรมเขาจะให้เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอันนี้แต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความงงงายวันนี้โยคุยกับโ ย, บโ ย, บโยบคนนึงะเขาไปสวดมนต์มามาจากโคราชตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติธรรมพอดีมีคนชวนไปสวดมนต์ในที่หนึ่งเขาสวดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าทีแล้วว่าจะมาเดินจุกง่วงมากก็เลยขวบไปนอนซะ สวดพุทธาพิเศษเสกพระพุทธรูปในหินหนึ่งวันหนึ่งคืนให้มันต่อเนื่องกันวันที่หนึ่งวันที่สาเย็นไม่ได้มาสวดแบบนั้นอันี้เราไม่ได้สวดให้มันศักดิ์สิทธิ์เพราะพุทธรูปมันไม่มีหูสวดมันก็ไม่เข้าไปมันเป็นวัตถุรูปขนาดตัวเราเองนี่นี่นี่ธาตุดินน้ำไฟลมที่มันประกอบกันเนี่ย ถ้าพูดให้ฟังมันเข้าใจนี่แหละคือการพุทธพิเศษทําให้มันรู้มันตื่นมันเบิกบานเนี่ยเนี่ยมาทําให้คนเนี่ยมันตื่นมันเบิกบานให้มันแจ่มใสให้มันเป็นพุทธะปลุกคนให้เป็นพระเนี่ยปลุกคนให้ตื่นมาพบธรรมเนี่ยไม่ได้ทําให้คนงมงายนะเนี่ยแต่เราต้องเห็นตัวเองเนี่ยเกิดความตื่นความเบิกบาน เดี๋ยนี้เห็นแล้วมันไม่ตื่นนะว่าโอ้กูเป็นทุกข์นะเนี่ยมันก็ไม่ตื่นสุขมันก็ไม่เคยตื่นโอ้ทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุข ก, ก็ไม่เที่ยงมันไม่เคยตื่นแบบ น, นั้นน่ะมันไม่มีควา ม, ม ร, รู้สึกว่าเกิดนิพพิทาวิราคะเกิดความเหนื่อยหน่ายคลําหนัดเกิดพยตูปัฏฐานนิยานเกิดความรู้สึกว่าเป็นภัยของชีวิตนะเนี่ยอันนี้จังทุกข์ของอาตานเนี่ยร่างกายสังขารชาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยโอ้เป็นภัยปนานี้นเนาะเป็นเรื่องที่น่าเกียดน่ากลัวแล้วมีความรู้สึกว่า อยากหนีพ้นไปในะเกิดมุนจิตุกรรมยตาญาณอยากพ้นจากกิเลสตัณหาแบบเนี้อยากพ้นภัยนี้ไปให้ได้มันมีเหรือแบบนั้นนะ่ะถ้ามันได้มีก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝืนต้องทําให้ได้อย่าในน้อยก้ใหมันเห็นรูปเห็นนามกับเขาว่างมาเนี่ยวิธีการเห็นก็คืออย่างว่านเะนะี่ยต้องทําให้มันต่อเนื่องจะต่อเนื่องได้ ก็ต้องสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรโภชเนมัตตันยุญาชากริยานุโยกสำรวมตางหูจมูกลิ้นกายใจไม่พูดไมจ่จาโพชเนมัตตันยุาจารู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ชากริยานุโยกชากริยานุโยคนี่หมายถึงทําความรู้สึกตัวจนทั้งจิตมันตื่นชาครธรรม สติเตสังนิวาระนังสติเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์นิวรณ์มีห้าตัวฟังนี้นะหนึ่งกามอารมณ์กามกรรมหมายว่าความใคร่ความใคร่ความอยากที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากดมอยากมีกลิ่นแบบนี้ในหลายคนอยากได้อากาศสบายอยากไปอยู่ตรงนั้นอากาศดีจังอะไรประมาณน้ ลองคูดฝึกดูดิคุณมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันอยากไปอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่คนเดียวลองอยู่กับคนเยอะๆลองดูดิเมื่เราไปบอกโอ้ยอยู่ตรงนี้สบายดีลองดูดิคุณสบายดีแบบนี้มากี่ครั้งแล้วนะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพัฒนาขึ้นบ้างไหมไม่เห็นมีเนี่ยลองฝึกดูที่มันกลัวอะไรกลัวคนเหรอ ถ้าเราไม่สังเกตตัวเองแบบนี้เนี่ยเราจะเอาจากคนอื่นค่อยบอกค่อยกล่าวเนี่มันจะยากดั้นเราต้องเฉลียวใจในตัวเองเราไม่ได้มาหาความสบายในนี้เราไม่ได้ว่าแอบหลับแอบนอนหรือไปแอบคิดอยู่คนเดียวลองฝึกลองฝืนดูดิเราเปลี่ยนวิธีหาปลาลองดูดิมันอาจจะได้ปลาดีกว่าเดิมได้ปลามากกว่าเดิมได้ปลาทัวใหญ่กว่าเดิมก็ได้ชีวิตเนี่ย มันไม่จำเป็นแต่ว่าโอ้คนนี้เก็บอารมณ์แหละนะคนนี้ต้องอยู่คนเดียวนะคน น, นั้นต่นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจอาศัยความวิเวกสักหน่อยก็ใช้ได้แล้ววิเวกทางกายเนี่ยกายจะวิเวกอ้าวมีความสงบสงัดกายสองจิตวิเวกอืมเริ่มเป็นสมาธิละหนึ่งอยู่ในที่สงบสงดัดข้างนอกสอง เรื่มเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิกิเลสก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันที่สามอุปธิวิเวกพอมีสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมไปก็เกิดวิปัสนาญาณทําลายกิเลสอุปธิมันหายไปมไม่ได้มีอุปทานเนี่ยมันสงบเพราะมันไม่มีอุปทานดูนี่มันไม่ใช่สงบเพราะสงบธรรมดาเลยในหลายคนอย่างนั่งให้มันสงบสงบรู้สึกสบายโอ้ย กว่าคุณจะไต่เท่าไปถึงสงบสามระดับสี่ระดับเนี่ยนานถ้ามีความเข้าใจตื้นๆไป น, นั้นน่ะสงบแบบนี้กามันก็ทําเป็นไก่มันก็ทําเป็นหมูหมามันก็ทําเป็นน่ะสงบมันสงบกว่าเราได้ซ้ำไปมันกระทบอะไรมันลืมไปนั่งมันสงบเลยหมูหมาเนี่ยแต่นั้นไม่ใช่วิปัสสนาคนละแบบกันเนะ่ะแต่คนเนี่ยนั่งสงบสงัดแบบหมูหมากาไก่เนี่ยน่ะไปนั่งมันสงบซะ หรืมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแส้ยอยู่คนเดียวสงบสงัดจะได้อะไรมันไม่เกิดปัญญาสักที อ, ะอ่ะกานต้องรู้จักเด็ดขาดกับตัวมันเอง<ส>เอ้าเมื่อคืนนี้ยังมีโยมมาชวนลงตาห<ส>ลงตา<ส>ไหวไหมอยากเดินจงกรมไปถึงวันใหม่เนี่ยดูดิเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากปฏิบัติธรรม จากวันเนี้ยไปถึงวันใหม่กลางคืนนะ่ะถามว่าไหวไหมไหวอ้อย่าทําเลยมันจะเมื่อยคือทําก็อยากทำํำคือตั้งใจไปจากบ้านว่าอยากทำแบบนั้นเลยนะเนี่ยนะความเพียรความพยายามเขายัางมีเลยถ้าประสาอะไรการทําแต่ละวันแต่ละวิทาทีไปเฉยเฉยเนี่ยนั้นสิ่งที่จะทําทได้ก็คือไม่ต้องทํามากก็ได้แต่ว่าทําให้มันต่อเนื่องเก็บ สติตัวเองให้มันต่อเนื่องตอนนี้ก็เก็บความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปทําคนเดียวกําหนดลูกคนเดียวอยู่เดียวอยู่ด้วยกันหลายคนก็เหมือนกันนะทําเหมือนอยู่คนเดียวไงถ้าเราไปคุยกับคนนี้เนี่ยมันหลุดไปอีกแล้วควมรู้สึกตัวนี่เอาความคิดเข้ามาถมมันนี้แหละถมไม่แล้วเมื่อกี้มันกำลังจะใสขึ้นมาความเพียรเริ่มดีเริ่มสังเกตเปิดประตูมาก็เกิดแทนที่จะเกิดปัญญาขึ้นมากับต้องคุยกับคนนั้นต้องว่ากับคนนี้ต้องช่วยคนนั้นต้องเก่งใจคนนี้เห็นไหมนะมันจะยุ่งไปหมดเลย นั้นเล่ษาจิตตัวเองให้มันอยู่ได้คนเดียวเนี่ยแล้วเรืองรู้คนเดียวยให้มีเอกีภาวะหรือที่เขาใช้คําว่าอันหนึ่งเวลาปฏิบัติทำเนี่ยมันจะเกิดเอกขตาอารมณ์เอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางหมาคือตัวสมาธินั่นแหละเอกคตารมเนี่ย ไม่ไหวว่ามันจ้องไปที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ใช่แต่ว่ามันรู้อย่างเดียวรู้อารมณ์นี่แต่ตัวรู้ล้วนๆทำรู้ตัวล้วนๆนี่ถ้ามันทำได้มันมันก็เป็นปัญญาขึ้นึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นปัญญาสมบูรณ์แบบนั่นเองไหมยิ่งถ้ามันมีปัญญาแล้วมันยังมีปีติอยู่ยังมีความมีตกวิจารณามิโนมีอยู่มันยังไม่บริสุทธิ์ยิต้องถอดออกหมด มีแต่ตัวรู้ล้วนๆในทความตั้งมั่นของสติชัดเจนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูแบบหนึ่งเห็นไหมมันยังมีมากมายหลากหลายนำภาษาอะไรกันรู้เบื้องต้นเฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจจริงมันไม่เป็นให้ต้องเด็ดขาดกับมันนะเนี่ยกิเลสเนี่ยมันคลองใจเรามันตั้งแต่เกิดแล้วกี่ปีแล้วเราเป็นด็อกเตอร์กิเลสก็เป็นระดับด็อกเตอร์แหละ เป็นสาตว์ตาจานกิเลสก็ระดับสาตว์ตาจา์แต่ปัญญาเนี่เพิ่งจะมารู้สึกตัวมันต้องตามมันให้ทันตามมันให้ทันรู้ให้เท่าทันมันมันไม่ได้คิดตลอดหลอกชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ง่วงตลอดความง่วงก็ไม่ได้มาตลอดความคิดก็ไม่ได้เกิดตลอดนานๆทีมันยังเกิดมันง่วเพราะเราเองเนี่ยเราไปหามันมาคิดเนี่ย เอาบางมันมาปรุงแต่งเนี่ยมันก็ปรุงแต่งเข้าไปอยู่ในมันทำไมมันจะไม่มานั้นถ้าากเห็นธรรมะสติต้องเร็วกว่ากิเลสอยากเห็นความง่วงว่ามันมาจากไหนต้องสามารถเร็วก่อนที่มันจะเกิดง่วงาอยจะเห็นความคิดความปรุงแต่งสติต้องเร็วกว่าความคิดความปรุงแต่งเพราะสติแปลว่าเปว่าแล่นสติแปลว่าสาระนัสารนังสาระนเนี่ย เอาสติสติคือสภาวะที่แล่นเร็วว่องไวพุทธังสระนางังคตธรร ม, มังสระนางังสรณะเนี่ยแป็ว่าแล่นไวคือสติมันต้องแล่นเร็วกว่าความคิดแล่นเร็วกว่าความอยากแล่นกว่าความปรุงแตง่งอย่างวาเออมันอยาพูดงับซะเนี่ยไม่ให้มัพูดเห็นมันก่อนแล้วมันกําลังจะพูดมันอยากกินงับก่อนที่มันจะอยากกินเห็นมันก่อนไงมันหงุดหงิดงับก่อนที่มันจะหงุดหงิด ต้องเร็วก่อนแต่ถ้าสติมารู้รู้อยู่านี่มันไม่พอ น, ะนั้นถ้าอยากให้มันโตเร็วคุณต้องใส่โยนิโสมนสิกาต้องสังเกตเวลาพูดอะไรให้ฟังเอาไปใช้เลยไปฝึกไปฝืนเลยโอ้เหมือนให้การบ้านการบ้านตัวนี้ไปก็ขีดได้เขียนได้การบ้านตัวนี้ก็ขีดได้เขียนได้ตัวนี้ก็เขียนได้ทำการบ้านเสร็จเลยหมดทุกอันแล้วสบายนะแต่ถ้าทําการบ้านไม่เป็นก็อย่างว่าติดปัญหาตัาง้งใจนะเตรียมตัว